วันนี้ก็ท ร, รมาเช้าเสียงดังกันดีเนาะเราก็มาจากสุขโต t นะมาช่วยมาช่วยกันทำงานมาช่วยกันอยู่ปฏิพฤติปฏิบัติที่อาศมวิริยธรรมเนาะหรือว่าโยมที่มาจากกรุงเทพก็ดีก็มันก็เหมือนอาศมก็คึกคักขึ้น ค, คึกคักก็มี มีพระมากขึ้นนะมีโยมมากขึ้นนะข้อสมกับที่ที่เป็นความตั้งใจของที่นี่เนาะนะอย่างอาจารย์กาพลที่เป็นคนเริ่มนะว่าอยากให้ที่ตรงนี้เป็นที่ที่ปฏิบัติธรรมเนาะก็ก็เริ่มมีคนมาใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะบางอย่างก็อาจจะยังไม่พร้อมนะก็เลยพวกเราก็เลยมาทํา นะทำงานมาทำกิจกรรมนะเพื่อรองรับนะการที่จะเตรียมพร้อมในการปฏิบัติธรรมในช่วงหลังอานะจะออกพรรษาแล้วเนาะแต่อย่างไรก็ดีเนาะเราจะทำงานนะก็ดีแต่เราก็อาศัยการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยแล้วกันเนาะอย่าไปคิดว่าเราจะทาแต่งานนะจะเอาแต่งานเป็นหลักเนาะ เพราะที่หลักจริงๆของเราคืองานทางใจเนาะการประพฤติพรหมจรรย์การฝึกหัดจิตใจเนี่ยคืองานหลักของเราเนำหรังานภายนอกก็ให้ถือว่าเรามาเร่งทํางานเนาะเสร็จเมื่อเสร็จเท่าไหร่ก็เท่านั้นเแม้จะเป็นการาเร่งแม้จะเป็นการมีภาระ ห, ะหลายอย่างที่อยากจะทําำ แต่เราก็ถือว่าทําตามเหตุทําปัจจัยที่ทําได้นะได้เท่าไรก็เท่านั้นนะมาถึงข่าวปฏิบัติก็ก็วางไปนะนยะเป็นช่วงได้ปฏิบัติเป็นช่วงได้ทากิจอย่างอื่นเนาะก็ถ้าพวกเราอยู่ที่นี่หรือว่าที่ไหนก็ถ้าช่วงปฏช่วงที่จะปฏิบัติทำมาที่สองถึงมาที่แปดจะมาร่วมกันปฏิบัติก็ได้เนาะเีนะ่ยเคย ได่ยินหลวงพ่อชาเนะท่านก็พูดเชิงทีเล่นทีจริงนะบอกพระนะสมัยตั้งแต่ที่หลวงพ่อชาท่านยังมีมีสุขภาพแข็งแรงพออบรมสั่งสอนพระเนนได้เนะท่านก็บางทีก็พูดทีเล่นทีจริงเหมือนพระเราเองเนะี่ยบางทีก็เป็นพระกรรมฐานนะ่ะนั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนานะอยู่ป่า ีวิเวกนะแต่บางทีอยู่ในวัดเนี่ยมีงานมีการบางอย่างก็ก็เป็นกรรมกรนะทำงานนะใช้แรงนะทำงานขุดดินเ อ, อไม่ใช่ก็ขนดินหรือว่าสร้างเสนาสนะต่างๆแต่บางทีมีโครงการมีกิจกรรมหรือบางที ชาวบ้านเนะี่ยต้องประชุมอะไรกันก็พระเราบางทีก็เป็นกรรมการนะนะนะกรรมการประชุมอย่างที่วัดเราเองก็กิจกรรมเช่นธรรมญาตาก็ดีนะบวชสามเณรด้วยร้อนก็ดีหรือว่ากิจกรรมอื่นๆก็ดีปลูกป่าเนี่ยพระบางรูปหรือใดรูปก็เป็นกรรมการนะนะบางทีเราก็เนี่ยแหละเป็นทั้ง พระกรรมฐานนะพระกรรมกรนะเป็นทั้งพระกรรมการด้วยนะหลายๆอย่างนะก็แต่จริงถ้าเราดูดีๆนะเออมันเราเป็นกิรอยานี่ก็เป็นมันก็เป็นแบบสมมุตินะเหมือนเล่นเล่นบทบาทสมมุติไปแต่ลกขณะแต่ลกขณะเฉยๆนะจริงๆแล้วความเป็นพระของเราคืออะไรนะความเป็นพระของเราเป็นกรรมกรเหรอเนะ เป็นกรรมการเหรอเป็นกรรมฐานเหรอนะีเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นตลอดเวลาเนาะเราไม่ได้เป็นตลอดเวลานะี่เราทํางานแค่แรงก็ไม่ไทําตลอดเวลาเราประชุมเราเตรียมงานก็บางครัง้งบางคราวเนะีเราทํากรรมฐานในรูปแบบตลอดเวลาเหรอก็ไนมะ่ในชะ่เนี่ยแต่จริงแล้วก็ แต่กรรมฐานถ้าเราทําได้ทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบมันก็ดีนะแต่บางคนพอว่าแต่เองเป็นพระกรรมฐานบางทีก็งานอย่างอื่นก็ไม่เอาเนะี่ยหรือว่าก็ลังเกียดอันนั้นก็อาจจะยังไม่ใช่กรรมฐานจริงๆก็ได้อบางทีก็ไปยึดในรูปแบบว่าเราเป็นพระเราก็ต้องทําแบบนี้เนี เราไม่ทำแบบนี้อะไรนี่นะแต่จริงถ้าตัวดักจริงๆนะอย่างที่เราได้สวดนะความเป็นบรรพชิต น, นะก็พึงพิจารณาเนืองเนืองิอย่างนั่นแหละเนา ะ, ะพิจารณาดูดูการที่เราบวชออกจากเพศคาราวาดแล้วเป็นบรรพชิตแล้วนะบางอย่างเรายังทำตัวให้เหมือน คารวาดหรือเปล่าเราก็ดูเนาะทำตัวให้เหมือนที่จริงก็อาจจะไม่ถึงกิเลสเนาะกิเลสที่มันยังยังติดข้องหรือว่ายังหลงไหลเช่นคารวาดคนะาราวาดก็หลงไหลเรื่องอะไรส่วใหญ่ก็เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียิเนาะนะ อันนี้คือสิ่งที่คาราวะานะส่วนส่วนใหญ่นะก็หลงใหลกิ น, ก, นกามเกียรตนะินพอเรามาเป็นบนรรพชิตแล้วเราก็ต้องมีมาดูตัวเองเนะี่ยเราทําตัวต่างจากเข้อหัสหรือป่ามเนะี่ยเรื่องกินเรื่องกามนะเรื่องเกียรตนะิเนี่ยเราก็มาทบทวนดูตัวเองหรือแต่ละข้อนะเรื่องเราทําตัวให้เขาเรียก ง, ง่ายไม่หรือว่าเรา ทำตัวยุ่งยากให้เขาบ่นบัตบ่นบิบัดยากเนี่ยศินของเราติเตียนตัวเราเองได้หรือไม่เนาะหรือว่าผู้อื่นติเตียนแล้วเราน้อมรับฟังดีหรือเปล่าน่ยทุกอย่างเลยเนาะเนีทั้งสิบข้อเนี่ยบรรพชิตควรพิจรารณาเนืองๆทั้งสิอย่างเนี่ยให้ตอนเนี้ยมันจะเป็นความเป็นเป็นพระที่แท้จริงเนาะ ถ้าเราถ้าเราได้บวชหรือแม้แต่คู่ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีนะถ้าเราเอาตรงนี้มาพิจารณาเนื่งเนืองว่าอไอ้ที่เป็นกิเลสตา่ตางๆเนี่ยนะเรื่องกินเรื่องกรารเรื่องเกลียดเรื่องโรคเรื่องโกรธเรื่องหลงไอ้พวกนี้แหละเราวิถีชีวิตกําลังมันเริ่มห่างจากมันขึ้นเรื่อ ย, รอยหรือเปล่านะ นะหรือว่าเราก็บอกว่าเราออกบวชหรือเรามาพติปฏิบัติธรรมแต่เรื่องพวกนั้นมันก็ยังแบบโอ้ยังติดนะไปไหนก็ติดอยู่กับเรื่องพวกนี้อยู่นะจิตใจก็หมกมุ่นคุ้นคิดกับเรื่องพวกนี้อยู่นะหรือว่าหลงไหลกับเรื่องพวกนั้นอยู่ก็แสดงว่าเราออกบวชแต่เพียงภายนอกนะแต่เราไม่ได้บวชที่ใจ หรือเรามาประพฤตนะิทำแต่รูปแบบภายนอกแต่เราไม่ได้ประพฤติทำถึงในใจเนาะแต่ถ้าเรามาพิจารณาดูตัวเองเออเรื่องความโลภความโกรธความหลงเรื่องพวกนี้เออเราเริ่มห่างมันได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นแหละก็คือเราได้ประพฤติทำมากน้อยเท่าไหนเราก็ดูตรงนั้นเหมือนคล้ายๆ กองไฟเนาะกองไฟที่มันน้อนร้อนนะ่ะธรรมชาติของผู้ที่รู้ว่าไฟมันร้อนนะ่ะเขาก็จะค่อยๆถอยห่างนะ่ะไม่เข้าไปอยู่ในใกล้กองไฟนะก็อยู่ในที่ที่ไม่ทำให้ร่างกายมันทุกร้อนนะ่ะธรรมชาติของจิตใจเราก็เหมือนกันนะถ้าเราเห็นโทษเห็นภัยของไฟของ ความโกรธไฟของความโลภไฟของความหลงหรือเราเห็นภัยหรือว่าระวังนะีเรื่องการกินเรื่องการนี่ยทางกามต่างๆเนอะเรื่องการหลงในชื่อเสียงเกียรตินิยศต่างๆเนี่ยมันก็เป็นภัยอย่างหนึ่งนะนะถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกเนี่ยมันก็เหมือน จะทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษเนาะเหมือนไฟความร้อนมันก็มีประโยชน์นะในการทำอาหารในการต้มน้ำนะในการให้ความอบอุ่นะแต่ถ้าเราไปอยู่ไปอยู่กับมันนะหรือว่าเราไปอยู่ใกล้มันเกินไปมันก็ทำให้เกิดความร้อนนะเกิดความทุกข์ไนอะ้เรื่องพวกนั้นก็เหมือนกันเรื่องกินเราก็กินนั่นแหละนะ บางครั้งนะ่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะ่ะความถูกใจนะ่ะซึ่งก็จะเรียกว่ากามก็ได้นะ่ะหรือบางทีเ้วก็เกี่ยวข้องกับรูปแบบเนาะเกียรตนะิน่ะมีคนนับถือนะ่ะอย่างเราเป็นพระก็มีโยมกราบไหว้นะ่ะออกไปบินทบายก็มีคนให้นะเหมือนเป็นเหมือนเป็นชนชั้นหนึ่งที่ก็มีเกียรตนะิน่ะ มีมีศักดิ์ศรีมีคนเคารพนับถือนะโดยสมมติเราก็มีแหละแต่บางทีเราก็ดูได้อย่างไรว่าบางทีเราติดมากลักษณะไหนเช่นบางทีเราไปเกี่ยวข้องกับญาติโยมนะเขาเรียกเราหลวงพีนะ่หรือบางทีเขาเห็นเราเขาไม่ไม่ไหวเขาไม่กราบนะ เขาพูดคุยไม่สุภาพด้วยนะเรารู้สึกอย่างไรเนี่ยเราก็กลับมาดูดูจิตใจของเราเออเรารู้สึกอย่างไรนะเรามีความไม่พอใจไม่นะเรารู้สึกจิตใจเป็นปกติอยู่หรือเปล่าเวลากระทบนะกับโลกกระทำฝ่ายลบก็ดีหรือบางทีเรากระทบกับโลกกระทําฝ่ายบวกนะ มีคนสันเซินเยินยอมีคนกราบไหว้มีคนถวายสิ่งของเป็นที่พอใจนะเรามีความหลงไหลเรามีความติดใจนะเรามีความยึดติดไมนะหมเนี่ยไอ้คนเนี้ยถ้าเราถ้าเราเป็นผู้เป็นผู้ที่ใฝ่ทำจริงๆนะนะนะเราควรน้อมเข้ามาใส่ตัว น้องเามาดูตัวนะแล้วก็น้องเข้าไปฝึกตัวอยู่เสมอนะที่จริงเรื่องพวกนี้ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการบวชหรือไม่บวชหรอกนะถ้าเรามีใจใฝ่ทำอยู่เสมอเนี่ยนะเราก็จะมาเตือนตัวดูตัวแก้ไขตัวอยู่เสมอเลยนะเราก็จะเกิดการพัฒนาเกิดความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยนะ พัฒนาก้าวหน้าคืออะไรก็คือว่าเห็นทุกข์นะไม่ไปยึดไม่ไปจับไม่ไปเป็นกับสิ่งที่เป็นทุกข์นะเหมือนเรารู้แล้วไอ้ น, นี่มันเป็นของร้อนนะไม่ไปจับมันนะเกี่ยวข้องกับมันอย่างระวังนะเนี่ยเราก็ต้องดูตัวนี้ดีๆอันนี้จะเรียกว่าเป็นภัยที่ที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยเนาะ ถ้าเราทําแบบนี้ได้เนะี่ยชื่อว่าเราเป็นผู้ที่ประพฤติทธทำเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงแล้วนะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะที่จริงพระพุทธเจ้าท่านให้เริ่มต้นที่ตัวเราเนี่ยแหละก่อนนะเราเอาธรรมะมาประพฤติมาปฏิบัติเนี่ยเป็นการเริ่มต้นฝึกหัดตัวเองก่อนเนย เมื่อมีผู้อื่นท่านมาเห็นท่านสนใจเขาก็มาเรียนรู้ตามนะมาฝึกหัดตามนะศาสนามันก็ค่อยๆขยายขึ้นค่อยๆมีคนนับถือมากขึ้นนะนะมันก็เริ่มจากตรงนี้เริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าก่อนเริ่มต้นที่ปัญจวัคคีย์ต่อไปนะเริ่มต้นด้วยยาศาสกุลบุตรแล้วก็มิตรสหายต่างๆก็หลังออกพรรษาแล้วก็ พระเจ้าก็บอกเลยนะให้ไปคนละทางนะนไปคนละทางไปอะไรเผื่อเจอคนที่เขาพร้อมที่จะเรียนรู้ธรรมะนะเราก็สงเคาะเข า, าให้เขาได้มีดวงตาเห็นธรรมให้เขาได้มีปัญญามากขึ้นนะพระเจ้าก็บอกไปคนละทางหกสิบกว่าคนเนี่ยไปคนละทาง ภพเตาอมก็ไปทางหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือศาสนาที่ค่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆเนาะจนกะทั่งถึงพวกเราในวันนี้นะแต่ในสมัยนี้รู้สึกในข่าวสารบางอย่างมันจะมีแบบจะมีการแชร์กันนะหรือว่ามีการแสดงความคิดเห็นกันนะมีการแชร์รูปอย่างเช่นมี คนมุสลิมมาปลอมบวชนะมาปลอมบวชแล้วก็มามาทำผิดศีลให้เป็นข่าวใหญ่โตนะที่จริงข่าวมันใหญ่โตเพราะว่าชาวพุทธเรานี่ยแหละชื่อกันแชร์แชร์กันกระจายกันว่าอันนี้แหละนะเขามาสองคนเนี้ยเขามาทำเสื่อมนะเขาเป็นเขายังละหมาดอยู่ แต่เขาก็ยังมาปรอมบวชนะอะไรประมานแล้วก็มาทําผิดศีลนนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีแต่จริงชาวพุทธคนไทยที่ไม่ใช่มุสลิมที่บวชแล้วอาจจะบวชถูกต้องผ่านโบสผ่านอุปชาจริงๆนแต่จริงก็ทําผิดศีลกันไม่รู้วันนั้นเท่าไหร่นะที่เป็นข่าวบ้างที่ไม่เป็นข่าวบ้างเนะีย หรือได้อ่านข่าวมีที่หนึ่งนะที่สุพรรณบุรีนะมีหมู่บ้านหนึ่งก็โอตำรวจไปไปจับกลุ่มนะได้ผู้ต้องหาสามสิบกว่าคนนะนะส่วนใหญ่ก็โกนหัวโนคิ้วนะมียาบ้ามียาเสพติดนะไว้ในครอบครองก็เป็นหมู่บ้านปลอมบวชนะ บวชเพื่อออกด้รายหรือบางทีเจอคุณยา่าคุณยายแก่ๆบางทีก็มีไปรักทัพย์ใส่ทะไข่คอก็มีะนะเนะเราก็มาดูดีๆบางทีบางทีเราไปคิดว่าภัยมันอยู่ที่ข้างนอกนะอยู่ที่ศาสนาอื่นนะเขาฟอมบวชเขามาทำให้ชื่อเสียงชาว นะพระเนะียแต่จริงชาวพุทธเราเองก็ก็ใช่ว่าจะไม่ทำให้ตัวเองเสียเนาะนะหลายคนก็บวชเป็นพระก็ทำผิดวินัยนะก็ย่อหย่อนนะก็ทำให้เสื่อมเสียก็มีหรือแม้แต่ชาวพุทธเองก็ดีนะบางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นพุทธไม่รู้ว่าอะไร ไม่ใช่พุทธเนาะอย่างเมื่อวานก็มีช่างคนหนึ่งเข้ามาคุยว่าเออเขาก็มาทำงานสร้างนะสร้างวัดให้กับฮินดูนะสร้างคล้ายๆที่ปดิส ฐ, ฐานพระพิฆเนศอะไรเนะี่ยก็มีชาวพุทธไปกราบไปไหว้กันเยอะๆเลยนะเขาก็พูดว่าอันนี้ก็พุทธใช่ไหมนะ เขาก็แยกไม่ออกว่าเนี่ยที่ไปไหว้เทพเจ้าต่างๆนี้ก็ก็พุทธเนาะเขาก็คิดว่าเป็นวัดเหมือนกันเนี่ยจริงเพราะว่อะไรเขาไม่รู้ว่าอะไรพุทธอะไรคือพราหมณ์นะแยกไม่ออกว่าการบูชากาบไหว้อ้อนบอลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมันไม่ใช่พุทธเนาะมันเป็นพราหมณ์นเยพุทธจริงๆไม่ไม่ได้ไปคิดอ้อนบอนบนบานสานกล่าวนะ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือแต่ชาวพุทธจริงๆเราเชื่อกรรมเชื่อการกระทำเนะเชื่อผลของกรรมเนะมันบางทีในเรื่องของศาสตนามมันก็มีหลายอย่างเนาะเนะท่านเจ้าคุณประยุทธ์นะท่านเคยพูดไว้ตอนหนึ่งนะน่าสนใจนะท่านบอกว่าเนะ เหมือนศาสนาเนี่ยให้ให้พวกเราดีด้วยกันนะศาสนาทุกศาสนาเนี่ยดีด้วยกันนะแต่มันดีไม่เหมือนกันเฉย ๆ, ๆนทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีนะสอนให้เป็นคนดีด้วยกันนะสอนให้เกิดความสุขความสงบนะทั้งกับตัวผู้ที่นับถือเองหรือว่าให้เกิดความสุขความสงบในเชิงสังคม นะอันนี้คือหัวใจจริงๆของศาสนานะของศาสานาะดีสอนให้คนเป็นคนดีด้วยกันสอนให้สังคมดีด้วยกันนะแต่จะดีไม่เหมือนกันนะอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน <c oughs> อาจจะมีหลักธรรมบางอย่างที่แตกต่างกันบ้างนะมันไม่เหมือนกันหรอกนะจะให้เหมือนกันเส็จที่เดียวมันก็มันก็ต้องเรียกเป็นศาสนาเดียวแล้วเนาะ อันนั้นบางทีเราเห็นศาสนาอื่นเขาทําแบบไหนบางทีถ้าเรารู้สึกว่าเป็นภัยนี่แสดงว่าเราก็คล้ายๆเหมือนจิตใจเราเป็นแบบไหนนอ้อนะเรากลัวเข้าเราเกลียดเข้าหรือเปล่านะแต่บางทีก็เคยนะบางทีเราลองคิดอีกภาพหนึ่งนะอย่างที่วัดป่าสุโกโตรเราเองก็ดีนะ ก็เคยมีนักบวชของศาสนาคิดนะเป็นซิสเตอร์บ้างเป็นบาทหลวงบ้างนะก็เคยมาเจริญสตินะมาอยู่วัดมาเจริญสติเหมือนกันเราจะคิดเป็นแบบไหนนะอย่างตอนนั้นที่เราเห็นชาวคิดเขาก็มา ป, ปฏิบัติธรรมนะเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนศาสนานะแต่เขาก็เห็นว่า คำสอนบางอย่างของชาวพุทธก็เป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจมาเรียนรู้ได้นะแต่บางทีเราที่ว่าภาพนะี่แต่งกายเป็นพระไปรับมาศ ก, กับเขาไปนั่งกินข้าวกับเขากับชาวอิสตามเรามองเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องไม่ดีนะนะ แต่นั้นถ้าคนมีเจตนาไม่ดีเราก็เ อ, อมันก็ผิดจริงๆนังกแหละนะแต่เราแต่เราจะไปโทษเหมารวมทั้งหมดมันก็อาจจะไม่ได้เนาะแต่เราพอมองภาพกลับกันเราเห็นชาวคิดนะแต่ทีจริงก็มีชาวอิสรามบางคนนะมาเจริญสติมานั่งสมาธิก็มีเหมือนกันนะที่จริงมันก็ไม่ใช่ว่าเขาเปลี่ยนศาสนานะหรือเขาทําให้ศาสนาของเขาเสื่อม ที่จริงมันก็ไม่ใช่นะเพราะชื่อว่าคนเนาะเขาก็ย่อมสแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเขาเองนะไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนความเชื่อไหนที่ไหนที่เขาคิดว่าดีที่สุดนะเขาก็ย่อมเขาก็ย่อมสแสวงหาเดี๋ยวเขาก็ต้องเรียนรู้ศึกษาทดลองดูเนาะเน้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเปิดกว้างมากนะ ให้เรียนรู้ได้ให้ทดลองได้นะ่ะไม่ผิดขั้นนะจะนับถือก็ได้ไม่นับถือก็ได้นะ่ะไม่ได้บังคับใครนะแต่ถ้าใครได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็จะเกิดความความศรัทธาเองเกิดความมั่นคงเองนะ่ะจิตใจก็ไม่วันไหวนะ่ะไม่วันไหวว่านะคนอื่นเขาจะเชื่อเขาจะคิดอย่างไรนะ่ะ ที่จริงพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรายัางเป็นมิตรกันอยู่นะ เ, นเหมือนอย่างอาจารย์พุทธทาเลยเพืบอกว่าที่จริง <c oughs> อยากให้ศาสนาทุกศาสนานะอยากให้คนทุกคนนะมาช่วยกันทำให้เกิดสันติสุขนะแก่โลกนะไม่อยากให้เกิดการแบ่งแยกกันไม่เกิดไม่อยาก ใ, ให้เกิดการทะเลาะกันไม่อยากให้เกิดการขัดแย้งกันนะ ถ้าพวกเราดีด้วยกันเนี่ยก็ชวนกันทำดีนะก็ชวนทำให้เกิดสันติสุขแก่โลกนี้นะให้ทําแบบเนี้ยมันดีกว่ากันเนาะอันเนี้ยถ้าเราทำได้มันก็จะเป็นการช่วยกันเนาะช่วยคนให้พ้นจากความทุกข์นะอย่าเอาแบบข้ออา้างข้อแตกต่างของศาสนานะมาโจมตีกันหรือว่ามามาบั๊กกันว่าเราดีกว่าเขาเพราะนะ อย่างนั้นอย่างนี้น่นนะน่ะมันจะเป็นการเหมือนไปดูถูกกันเนา ะ, นะแต่จริงถ้าเราช่วยกันส่งเสริมให้ให้คนเป็นคนดีเนา ะ, นะมันก็ดีละแต่จริงศา ส, สนาของเราถ้าเราศึกษาจริงๆเราก็จะรู้ข้อแตกต่างหรือว่าอะไรเป็นตัวหลักนะในการที่เราศรัทธานในพระพุทธเจ้าเนา ะ, นะ เราศึกษากันให้จริงๆเนาะเราจะไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวถึงภัยภายนอกนะภัยภายนอกนะทําได้เพียงแค่เหมือนทำร้ายสิ่งภายนอกนะแต่จริงภัยภายในเนี่ยมันน่า ก, กลัวกว่านะอยากให้เรามาระดึกตรงเนี้แหละภัยภายในนะคือความเกรียดความกลัวนะ ความที่เราไม่มีความมั่นคงในจิตใจของเราเนี่ยเปนภัยภายในมากกว่าถ้าเราอยากจะนับถือศาสนาเราจะสืบทอดศาสนาเนี่ยให้เราเน้นให้เราเน้นที่ตัวของเราเองเนี่ยเป็นหลักจะดีที่สุดเลยส่วนศาสนานะจะมีคนอื่นมาทำให้เสื่อมนช่ไจะด้วยคนที่ทะเบียนบ้านเป็นชาวพุทธก็ดีคนที่บวช เราไม่ประพฤติปฏิบัติทำก็ดีหรือจะเป็นศาสนาอื่นเขาอาจจะมนะีมาทำไม่ดีบ้างก็มีนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขานะไม่ใช่เรื่องของเราดอกนะเรื่องของเราจริงๆอะ่ะให้เรากลับมาดูตัวเราเองว่าเราเกลียดเขาไหมนะจิตใจเราเป็นอย่างไรนะแต่จริงถ้าเรามองจริงๆนะ ถ้าคนที่มีธรรมะเนี่ยจะมองด้วยความเหมือนคล้ายสงสารนะสงสารที่เขาหลงผิดนะไม่ว่าใครจะทําผิดทําไม่ดีเนี่ยจิตแทนที่มันจะเป็นความเกลียดความโกรธนะจิตมันจะเหมือนมองแบบอืมคนพวกนี้เขาไม่รู้นะเขาเขาไม่เข้าใจนะเรามองเขาเป็นเรื่องที่ ที่น่าสงสารนะหรือให้อภัยนะมันจะมองเป็นแบบนั้นนะเนาะพอจริงเรามองกันแบบไหนมองเหมือนอย่างที่เราจะเดินแผ่เมตตาทุกวันนั่นแหละถ้าเรามองสัตว์ทั้งหลายนะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนะี่ยโอ้คนเราเจ็ดพันกว่าล้านคนเนะี่ย แต่นับถือศาสนาไหนก็ดีหรือว่าไม่นับถือศาสนาเลยก็ดีเน <c oughs> <h east> ี่ยก็ร้วนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนาะหรือแม้แต่สัประสัตที่เรามองเห็นก็ดีหรือเรามองไม่เห็นก็ดีโอ้ก็เป็นร้วนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะเนี่ยเราก็แผ่เมตตาแล้วก็บอกว่าให้สัประสัตวทั้งหลายนี่เนี่ย ไดพ้นจากความทุกข์นะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้ได้มีความสุขกายสุขใจยิ่งยิ่งขึ้นไปเนะี่ยถ้าใจเราเป็นแบบนี้จริงๆนะโอ้เนี่ยแหละใจเราใจเราเป็นพระจริงๆนะใจเราเกิดความสุขวความสงบจริงๆอันนั้นแะคือสิ่งสำคัญที่สุดนะให้เราตั้งใจทำตบนนี้แหละนะเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำการทำงานอะไรก็แล้วแต่ หรือเราได้ยินข่าวสารได้อ่านข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยให้เรากลับมาดูดูใจเรานะว่าใจเป็นปกติไหมใจมีความเมตตาสงสารเขาไหมใจเรามีความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของนะเรื่องของบุคคลนะที่จริง ม, มันไม่ใช่เรื่องขององค์กรนะมันไม่ใช่เรื่องของที่ว่า จะเป็นเหมารวมทั้งหมดนะนะเราเห็นข่าวพระเมาพร ะ, ะผิดศีลมันก็ไม่ใช่ว่าศาสนาพุทธเสื่อมนะมันเป็นตัวบุคคลเขาเสื่อมนะเราเห็นศาสนาไหนเข้าไปก่อการล้ายที่จริงก็ไม่ใช่ศาสนาเ้าเสื่อมนะมันเป็นตัวบุคคลตัวความเชื่อของบางกลุ่มที่เขาเสื่อมที่ในะ ที่จริงคําสอนของาศาสดาแต่และาศาสดามันก็ยังไม่ได้เสื่อมไปไหนหรอกแต่จริงถ้าเราประพฤติปฏิบัติทำจริงๆเนี่ยเราจะไม่อ้างหลักว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนาะเพราะที่จริงสัตย์จะทำจริงๆมันยังคงอยู่เนาะรอแต่การที่เรามาพิสูจน์เนี่ยแหละนะจะบอกว่าเราเป็นชาวพุทธก็ดีหรือที่จริงเราเป็นเน่ยเราไม่ได้นับถือพุทธโดยทะเบียนบ้านก็ดีนะ แต่ถ้าเรามาพิสูจน์ความจริงเนี่ยนพิสูจน์ด้วยการเนี่ยประพฤติ ธ, ธรรมเนีจะเดินสติเนีจะเดินภาวนาเยอะๆเนี่ยและเราย่อมเข้าใจความจริงได้ว่าเที่จริงมันมีแต่ร่างกายกับจิตใจเท่านั้นเนาะทุกอย่างล้วนเป็นทุกทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงนทุกทุกอย่างล้วนบังคับบัญชาไม่ได้น ล้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทั้งนั้นนะถ้าเรามองเห็นสิ่งต่างๆพวกนี้นะอความยึดมั่นถือมั่นนะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันจะไม่มีที่ตั้งนะมันจะจางคลายมันจะดุจไปเพราะเราล้วนแต่มองเห็นว่าสมมุตินะสมมุติเป็นเราเป็นเขาเนะี่ยเป็นพวกของเราเป็นพวกของเขาเนะี่ยต่างๆเนี่ยล้วนแต่เป็นสมมุติทำนั้นนะ แต่ตัวความจริงแท้แล้วนะี่มันมีแต่รูปกับนามนะี่มันมีแต่อาการนะี่อาการทุกข์อาการเปลี่ยนแปลงอาการเป็นเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจนะัยนี่ล้วนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทั้งนั้นนะี่เมื่อเรามองเห็นพวกนี้นะมันจะมองสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะี่ เป็นเพียงแค่อาการของรูปอาการของนามเนอะอาการของรูปก็ประกอบด้วยธาตุนี่มาประกอบกันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอาการของนามนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนถ้าเรามีสติรู้เท่าทันนามก็ไม่ทำให้รูปเป็นทุกข์นามก็ไม่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์นแต่ถ้าเราไม่รู้ทันนี่สภาวะ เปลี่ยนแปลงสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิตใจเนี่ยเราเองก็จะไปยึดมั่นถือมั่นก็ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ทำให้เดือดร้อนกันไปหมดเลยแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงเนี่ยโอ้มันก็ไม่ใช่เรื่องไหนเลยนะมันเป็นเรื่องที่ถ้าเรารู้ตัวนะเราก็ไม่ทําตัวให้ทุกข์ไม่ทำํำคนอื่นให้ทุกข์นะแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวนะ เราก็ทำให้ตัวเองให้ทุกข์ทำคนอื่นให้ทุกขนะ์ถ้าเราทำถูกต้องแล้วนะเราทำดีแล้วคนจะเข้าใจเราไม่เข้าใจเราเป็นเรื่องของเขาแล้วนะคนจะชอบคนจะไม่ชอบนะที่จริงก็เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้นะนะไม่ใช่ว่าเราทำดีแล้วคนจะต้องชื่นชมเข้าใจก็ไม่ใชนะ่ทำถูกแล้วก็ไม่ใช่จะมีคนแต่ชอบเท่านั้นนะ เรื่องชอบเรื่องชงังเรื่องเข้าใจเรื่องไม่เข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปคาดการได้ไม่ใช่เรื่องทีเราจะไปบงังคับได้แต่เรื่องที่เราทําได้คือเราระลึกบ่อยๆว่าเราจะไม่ทําตัวเองให้ทุกข์แต่ไม่ทําให้คนอื่นเพราะทุกข์เดือดร้อนนะเพราะคำพูดเพราะการกระทําเพราะความคิดเนี่ยของเราแต่บางอย่างมันห้ามไม่ได้นะอย่างเช่นความคิดนะ ห้ามให้คิดไม่ดีไม่ได้นะห้ามให้กิเลสเกิดขึ้นไม่ได้นะแต่สิ่งสาคัญคือเราพยายามรู้ทันมันบ่อยรู้ทันมันเร็วเร็วรู้ทันมันเนืองเนืองนะเมื่อเรารู้ทันแล้วมันก็จะครอบงำจิตใจไม่ได้นะอาจจะคิดได้่ะแต่ไม่ทำตามมันเป็นไรถ้าพักหนึ่งก็เหนียวไปเองมันก็หายไปเองแหละนี่เราก็ฝึกตัวนี้บ่ยบ่อยนะ มันถึงจะสมนะที่เราได้มีโอกาสได้ประพฤติได้ปฏิบัติธรรมเนาะไม่ว่าจะาจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้เราให้เราทําใจเช่นนี้นี่แหละนะมันจะเป็นการที่เรียกว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงนะหรือจะเรียกว่าเป็นการสืบทอดศาสนาที่แท้จริงก็ได้นะเพราะศาสนาที่แท้จริงก็คือนี่แหละเนะี่ย มาช่วยกันนะช่วยกันทําตัวเองให้ไม่ทุกข์ช่วยกันให้คนอื่นเขาไม่ทุกข์นะทําดีด้วยกันนะทําดีด้วยกันเป็นทั้งดีเปนทั้งแบบค้นจับความทุกข์ไปเลยนะอันเนี้ยจะเป็นการเดินทางด้วยกันนะพวกเราทุกคนในที่นี้ก็ดีหรือว่าที่อื่นก็ดีแนะก็ให้พยายามทําตรงนี้นเะนาะให้มากที่สุดตราบช่วยชีวิตเรา จะหาไหมเนาะก็ชื่อว่าเราได้ได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะที่ได้เกิดมาเนะี่ยเป็นหน้าที่ที่เราต้องต้องทำนะักเป็นงานภายในนะแต่งานภายนอกก็ไอคิดว่าทำให้มันเสร็จแต่ละวันแต่ละวันก็เสร็จทุกวันเนาะเสร็จทุกขณนะเสร็จไปแล้วก็มีงานใหม่มาทำเหมือนเดิมเสร็จมาแล้วมันก็มีของที่ต้องแก้ไขต้อง ปรับปรุงเหมือนเดิมนะงานทั้งโลกเนี่ยไม่มีเสร็จจริงๆหรอกนะทำไปเรื่อยๆนะแต่งานทางใจเนี่ยมาสามารถเสร็จได้จริงๆนะถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะเราก็เราก็จะอยู่กับสมมุติภายนอกได้อย่างไม่เป็นทุกข์นะนะักก็ฝากไว้นะ